คนเราเมื่อตื่นขึ้นมาตลอดเวลาที่ตื่นก็มีเรื่องที่ต้องทาโนนทนํานี่มันมีการทําอะไรต่ออะไรมากมายแล้วขณะที่ทํามันก็มีการรับรู้ หรือว่ามีสิ่งที่มากระทบอันนี้เรียกว่าผัสสะผัสสะมีรูปมากระทบที่ตามีเสียงมากระทบที่หูมีลิ้นมีรสมากระทบที่ลิ้นกลิ่นกระทบที่จมูกหรือว่า มีอะไรต่ออะไรมากระทบที่กายเช่นลมเช่นอากาศเช่นน้ำ น, นี่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับการกระทำทำนี้ไม่ได้แปลว่าทำงานอย่างเดียวนะแค่การ หายใจนี่ก็เป็นการกระทำอย่างหนึ่งแล้วนั้นร่งที่เราอยู่นิ่งๆเราก็ทำนะคือหายใจกับพิตารือน้ำลายอันนี้เรียกว่าทำและไม่ว่าจะเป็นการทำหรือว่าการรับรู้แล้วก็ตามเนี่ย เราก็สามารถจะภาวนาไปพร้อมๆกันได้ห ร, หรือว่าปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกับที่มันมีการทํานั่นทนํานี่หรือว่ามีการรับรู้อะไรต่ออะไรมากมายกาภาวนาในพุทศาสนามันมีหลายวิธีมีหลายแบบยิ่งการปฏิบัติธรรมด้วยแล้วนี่ก็มีมากมาย บางอย่างก็ต้องอาใัยเหตุปัจจัยบางอย่างไม่สามารถทำได้ตลอดเวลาเช่นการให้ทานเนี่ยนะการให้ทานมันก็ต้องมีบางช่วงเวลาที่ทำได้แต่บางช่วงเวลาเราก็ไม่ได้ทำ อย่างขณะ น, นี้ตอนนี้เรานะ่เราจะให้ทานอะไรคงจะไม่ได้นะเพราะว่าเราทุกคนก็ น, นั่งอยู่บนศาลาขณะที่เราสวดมนต์เราก็ให้ทานไม่ได้ไอ้ตอนที่เราถูฟันเราก็ให้ทานไม่ได้อ่านน้ำเราก็ให้ทานไม่ได้ เราจะให้ทานได้มันก็ต้องมีบางช่วงบางจังหวะที่เหมาะเช่นมีพระมาบิณฑบาตเราก็ไม่ได้ทำกิจอื่นการรักษาการรักษาศีลก็เหมือนกันนะศีลบางข้อเนี่ยมันต้องมันต้องมีการเกี่ยวข้งองกับผู้คนก่อน เช่นมีการพูดคุยกันแล้วเราไม่โกหกนะอันนี้ถึงจะเรียกว่ารักษาสีลข้อที่สี่ได้สิ่งข้อสี่มันเกิดขึ้นเมื่อเรามีการสนทนากับผู้คนแล้วเราไม่โกหกไม่พูดส่อเสียด ภาวนาก็เหมือนกันนะการปฏิบัติธรรมก็มีทานศีลภาวนาภาวนาบางอย่างแล้วก็ทำได้เป็นบางจังหวะบางช่วงเช่นเมตตาภาวนาแผ่เมตตาเราคงไม่ได้ทำตลอดเวลาขณะที่เราข้ามถนนเราก็คงไม่แผ่เมตตาไม่ได้ตอนนั้นก็มีแต่ต้อง ดูถนนดูรถในการเจริญอนุสติช่แล้ลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังหานุสติเราก็ทำได้เป็นบางช่ว ง, งเวลาแต่มมนมีภาวนาอย่างหนึ่งที่ทำได้ตลอดเวลาเลย นั่นคือการเจริญสตคิคือการทำความรู้สึกตัวไม่ว่าเราจะสวดมนต์ไม่ว่าเราจะข้ามถ น, นนอาบน้ำถูฟันเราก็สามารถที่จ ะ, จะเจริญสตนะิไปพร้อมๆกันได้ เราก็สามารถที่จะทำความสึกตัวไปพร้อมๆกันได้แล้วก็ควรทำด้ว ย, ยการเจิญสตนะิการทำความรู้สึกตัวมันก็ทำได้เนี่ยนะสองช่วงใหญ่ๆซึ่งก็คุมทั้งชีวิตของเราในแต่ละวันแต่ละวันยกเว้นในยามหลับแต่บางคนก็อาจจะทำได้เหมือนกันในยามหลับ ก็คือว่าเมื่อกายมัทำอะไรใจก็รับรู้การรับรู้ว่ากายทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ไปตอกไม่ใช่ไปตอกย้ำหรือไปไปคิดเอาว่าฉันกำลังทำนั่นฉันกำลังทำนี่แต่มันเป็นความรู้สึกเช่นอาบน้ำถูฟัน ก็ไม่ต้องไปพูดไปคิดยามก็เติมว่าฉันกําลังอาบน้าฉันกำลั ง, ลงถูฟันอันนั้นมันคิดเอาล้วแต่ขณะที่เราอาบน้ําเราถูฟันถ้าเรามีสตนะิมันก็จะรู้สึกว่าร่างกายบางส่วนนะเช่นมือที่กําลังแปรงฟันมือที่กําลังตักน้ําอาบมันมีการเคลื่อนไหว สติทำให้ใจนี่มันไปอยู่กับสิ่งที่กาลั ง, กำ ล, งกำลังทําอยู่อันนี้เป็นหน้าที่ของสตินะสติทำหน้าที่กํากับจิตไว้กับอารมณ์อารมณ์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหอารมณ์ดีใจแต่หมายถึงสิ่งทุกอย่างนะที่จิตไปรับรู้ เช่ขนขณะที่เราจับขันเพื่อตักน้ำขันก็ดีหรือว่าน้ำก็ดีมันก็เป็นอารมณ์ของจิตเพื่อทำให้การทำงานนั้นเช่นอาบน้ำมันเรียบร้อยจิตสติํารทำสมาธกลับจิตไปกับอารมณ์ก็คือผู้งอาใส่ใจนั่นเอง สติทำให้ใส่ใจอยู่กับสิ่งต่างๆได้เมื่อเราใส่ใจอยู่กับสิ่งต่างๆนั้นก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติได้เหมือนกันนะทำอะไรใจก็รับรู้หรือว่าใส่ใจไม่ใช่ใจลอย บ่อยครั้งเราทำโน่นทำนี่แต่ว่าใจไม่รู้ไปไหนทั้ง น, นี้ว่าใจมันอยู่กับเน้กัตัวยังจะเรียกว่าลืมลืมตัวก็ได้บางทีเราก็จะลืมสติใจลอยเราเรียกว่าลืมสตินไม่รู้เนะื้อรู้ตัว ก็เรียกว่าลืมตัวก็ได้เป็นความลืมตัวชั่วคราวแต่เราก็นะพยายามที่จะพาจิตกลับมาไอ้ความระลึกได้ว่าทำอะไรอยู่กำลังอาบน้ำอยู่มันก็ดึงจิตกลับมาอยู่กับการอาบน้ำทำให ใส่ใจอยู่กับการอาบ น, าน้ำาที่ทำมาทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าภาวนาได้เหมือนกันนะเรียกว่าเจริญสติเราใช้กายทำโน่นทำนี่เยอะแยะรวมทั้งการหายใจกระพริบตาเกือนน้ำลายก็ให้ให้รับรู้ว่าเออมันมีการการกระทำ ในร่างกายหรือโดยร่างกายโดยอวัยวะต่างๆอันนี้อาจจะละเอียดสักหน่อยนะมารับรู้มารู้สึกว่ากินน้าลายกระพริบตานะแต่ว่าที่ทำอะไรจากหยาบเนะี่ยด้วยมือด้วยเท้าด้วยร่างกายด้วยลำตัวนะี่อันนี้มันมันเป็นการเป็นอิเลียยวบทที่หยาบ การยืนการเดินการนั่งอุจลราปัสวะการเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังเหลียวไา้แลขวาคู่ขาเหยียดขาไอนะ้พวกนี้เรียกว่าทำหมดนะการกระทำถ้าเรามีสติหรือว่าเรามีความรู้สุกตัวรับรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่เนี่ย ก็เรียกว่าเป็นการเจริญสะติฝ่ายกายานุปัสสนากายานุปัสสนาคือการมีสติตามดูกายอันนี้เราต้องหมันหนะมันทํหมันใส่ใจมันเป็นโอกาส มันเป็นวิธีการที่เอื้อให้เราสามารถจะภาวนาได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นยามยานหลับนะหรือแม้แต่หลับ ก, ก็ยังก็ยังทำได้นะเวลามันฝันนะฝันโน่นฝันนี้ตลอดเปิดเปิดนะมีสติช่วยกำกับจิตให้มันไม่ไปปรุงแต่งนะจนเวอร์หรือว่าปรุงแต่งจนกระทั่ง เกิดความกลัวเกิดความตื่นตระหนกตกใจหรือปรุงแต่งเมทา อ, อกุศลที่ทำให้จิตเศร้าหมองแต่นั่นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการกระทําทางกายแล้วนะการกระทําทางกายที่เราทำในเวลาตื่นส่วนใหญ่นะ บางทีเราก็ลุกบางทีเราก็ยืนก็ให้มีสตินะก่อนจะลุกนะก็ไม่ลุกพลดพราดบางครั้งยุงกัดนะมแมลงมาสัมผัสกายอยากจะปัดนะก็ปัดอย่างมีสติไม่ใช่ทำโดยความไม่รู้ตัวหรือทำไปด้วย อารมณ์ความกลัวความเกลียดความรังเกียจเนี่ยไม่ว่ากายทำอะไรเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เราจะเจริญสติไปไปได้ตลอดเวลานีนอกจากตายทำอะไรแล้วเนี่ยจิตมันก็ทำงานด้วยเหมือนกันนะ มันทำงานเวลาเกิดผัสสะอันนี้มักจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเมื่อตายเห็นรูปหูไดินเสียงเนี่ยนะมันก็มีสุขโภเทนาทุกขภเทนาเกิดขึ้นแล้วก็ตามมาด้วยความพอใจไม่พอใจ ชอบไม่ชอบยินดียินไลยแล้วก็เกิดเป็นความอยากจะได้อยากจะครอบครองหรือเกิดความอยากจะผลักไสออกไปเรียกว่าตัณหาหรือว่าโทสะนตรงนี้แหละนะั่นที่เป็นอาการของติตนะเมื่อเกิดผักษะ ก็เป็นโอกาสที่เราจะภาวนาโดยการมีสติรู้ทันนะรู้ว่ามีจิตมันเป็นยังไงตอนนั้นมันยินดียินร้ายมันชอบไม่ชอบมันเกิดอยากครอบครองอยากมีหรืออยากผักใสหรือว่าจิตมันคิดปรุงแต่งไป บนโวยวายตีโพยตีพายอดครวนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกับจิตของเราหลังจากที่เกิดทัสสะขึ้นมาอันนี้เราเป็นการกระทำทางจิตนะมันก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ภาวนาเหมือนกันคือมีสติรู้ มีสติรู้ทันอาการเหล่านั้นซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะก็เลยปล่อยให้อารมณ์ต่างๆมันเข้ามาครอบงำหรือว่าย่ำยีนะจิตใจโดยเพราะอารมณ์ที่เป็นอกุศลแล้วเกิดความทุกข์ตามมา เราสังเกต ด, ดูเวลาเสียงกระทบผูนี่จิตมันก็กระเพื่อมนะพอใจไม่พอใจเสียงลิงมันเดินวิ่งตามบนหลังคาบางครั้งจิตมันก็เกิดความไม่พอใจขึ้น เป็นเพราะว่าเสียงมันดังรบกวนหรือว่ารู้สึกรำคาญอันนี้เราก็มีสตินะเห็นนะรู้ทันอาการของใจรู้ทันอารมณ์ดังกล่าวอันนี้ก็เรียกวาภาวนานะมันทำได้ตลอดเวลา แล้วก็ควรจะทำด้วยคนเราเวลาเกิดผัสสะขึ้นมาแล้วเนี่ยนะมันก็ปล่อยใจไปตามสิ่งที่มากระทบหรือว่าปล่อยให้เวทนามันขับเคลื่อนจิตอะไรที่เป็นสุขวเวทนาก็เกิดความยิน ด, ดีเกิดความพอใจเกิดความชอบแล้วก็ ปรุงแต่งไปว่าเออจะจ ะ, จะหามาได้ยังไงจะมีจะรักษามันได้อย่างไ ร, ะะาา ไ, ง ไ, รไปเรื่อยแต่ถ้าเกิดทุกขเวทนาเกิดความไม่พอใจความยินร้ายก็หาทางอยากจะปัดเปล่าอยากจะะจัดมันทิ้งไปคิดหาผนทางว่าจะทำยังไงหมกมุ่นอยู่ากับการ หาทางจัดการหรือบางทีมันก็คิดร้ายพูดร้ายนะด้วยเจตนาที่เป็นอกุศลอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้คนทั่วไปเพราะว่าไม่มีสติไปตามรู้นะในเวทนาแล้วก็ในจิต ถ้ามีสติรู้เนี่ยนะมันก็จะทําให้จิตเนี่ยกลับมาเป็นปกติได้หรือว่าทําให้จิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันอย่างพอมีเสียงดังเนี่ยนะจิตมันก็พุ่งไปที่เสียงไปที่หลังคาไปที่ลิงซึ่งยังมองไม่เห็นแต่จินต น, นาการไอ้ตอนนั้นเรื่อ ม, มาอยู่กับปัจจุบันแล้วนะเพราะว่า จิ ต, ตอนั้นมันไม่ได้รับรู้ไม่ได้สนใจการบรรยายปัจจุบันในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงเวลาอย่างเดียวแต่หมายถึงกิจที่กำลังทำอยู่ในขณะนั้นด้วยเช่ขนขณะที่กาลังนั่งฟังพอจิตมาไปสนใจสิ่งอื่นแทนนะไม่ว่าจะเป็นเสียงรบกวนหรือคนที่กำลังเดินมา หรือว่าไปนึกถึงเรื่องราวในอดีตไปนึกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยนั่นเรานึกแล้วว่าไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะเพราะาจิตตอนนั้นเนี่ยไม่ได้จดจ่อใส่ใจอยู่กับกิจที่กําลังทําอยู่ก็คือการนั่งฟังกําลังอ่านหนังสือนะหรือว่ากําลังทําบัญชี ถ้าใส่ใจอยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยเรียกว่าจิตมันอยู่กับปัจจุบันแต่ถ้าใจวอกแวกไปคิดนู่นคิดนี่หรือว่าไปสนใจว่าคนใกล้ๆเขากําลังคุยอะไรกันนหรือตาไปจ้องจับคนที่กําลังมาใหม่เนี่ย น, นั่นนึเรียกว่าจิตไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วนะ อยู่กับปัจจุบันคือว่าเจดมันสนใจอยู่กับการการทำบัญชีหรือว่าการอ่านหนังสือแค่ทําอ่านหนังสือและใจนะจะมาปรุงแต่งกับเรื่องที่อ่านอยู่หรือว่าทําบัญชีแล้วก็รู้สึกกังวลกลุ่ม หนักใจว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จมเมื่อไหร่จะเสร็จอันนี้ก็เรียว่าไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเหมือนกันในการอยู่กับปัจจุบันนี้กับการมีสตินี่มันเป็นของคู่กันแล้วก็มันทําให้เกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือต้องอาศัยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมด้วย คนไม่ค่อยได้กระหนักถึงความสำคัญนะของการอยู่กับปัจจุบันส3วันก่อนก็มีคนไปหาที่กุตติแล้วก็ก็า่าขอธรรมะหน่อยนะขอธรรมะนะสา ร, รการดำเนินชีวิตก็พูดไปสั้นๆว่าให้มีให้อยู่กับปัจจุบัน ก็ทําสีหน้ามันกับว่าแค่เนียงเหรอคืออยากจะฟังอะไรมันเยอะๆยากๆมั้งอยากจะฟังอะไรที่มันเยอะ ๆ, ๆที่มันดูยากๆกว่านี้นะคือเข้าสึกว่าเจริสตินี่มันเอ้ะพุทธการอยู่กับปัจจุบันเปบเรื่องเรื่องมง่ายเป็นเรื่องที่ไม่สลักสําคัญอะไร เลยเป็นเรื่องที่ว่าเรื่องที่รู้ๆกันอยู่เสร็จแล้วพูดไปสักพักเขาก็พูดนะเนี่ยทำยังไงนะจะให้จิตมันหายฟุ้งซ่านรู้สึกเครียดความฟุ้งซ่านมากก็เลยบอกเข้าไปเลย ว, ว่านเนี่ยไอ้ที่ฟุ้งซ่านเพราะจิตไม่อยู่กับปัจจุบัน เขาจะยกไปตัวเลือกมันไม่พุ่งสั่นนี่แสดงว่าที่เขาก็คิดว่าการอยู่ปัจจุบันเป็นเรื่องง่ายนะแต่จริงเขายัไม่เข้าใจเลยนะเพราะถ้าเขาเข้าใจคงจะไม่ไม่ถามอย่างนั้นหรือว่าอาจจะเข้าใจจะรู้แต่ว่าจริงทําไม่ได้ เพราะทำได้มันก็ไม่คงสร้างหรอกไอ้ที่มีสติรู้ทันติดเนี่ยนะ อันนี้เราว่าจิตตามนุปั ส, สนาพอพูดเป็นภาษาบาลีนะมันก็รู้สึกว่ายากแต่ว่าถ้าเราพูดเป็นภาษาไทยนะมันก็ดูง่ายขึ้นแต่ว่าพอพูดไปแล้วมันก็เหมือนกับว่ายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะ ดูมันไม่ขลังเหมือนกระพู้นเนี่ยอยู่กับปัจจุบันเนี่ยก็คือมันไม่ขลัง ถ, ถ้าใช้คาว่าสติปัฏฐานใช้คำว่าพูดเรื่องอริยสัจสี่มักมีองค์แเนี่ยก็ดูมันพูฐานขึ้มันให้พูดมาส่วนทั้งหมดนี้ก็เพื่อว่าให้เห็นว่าการภาวนานเนี่ยเราสามารถทำได้ตลอดเวลา และพอนาะที่ทำตลอดเวลาก็คือการเกิดเหตุและการทำรู้สุกตัวนี่ก็หมั่นทำอยู่เสมอโดวยว่าข้อแรกเนี่ยให้มีสติเวลากายมันทำอะไรหยิบของวางของนี่ก็ต้องอาศัยสติ ไวางของแล้วไม่มีสติก็ไม่รู้ว่าวางไว้ที่ไหนหยิดจับอะไรก็มีสติไอตอนหยิดจับนี่มันมีสติอยู่แล้วล่ะแต่พอจะวางนี่ส็ิมักจะไม่ค่อยมีสติวางไปเรื่อยวางไปแล้วก็จาไม่ได้ว่า วางไว้ทีนะ่ไหนนี่เราฝึกกับเรื่องง่ายๆกับอีกหลาบทในชีวิตประจำวั น, นอันนี้ก็นอกเหนือจากการทำในรูปแบบนะรูปแบบก็ต้องทำด้วยแต่รูปแบบนี่ดูมันเหมือ น, นมันไม่เป็นธรรมชาตินะเช่นการเดินจงกรมการนั่งตามลมหายใจหลับตาการสร้างจังหวะ ดูมันไม่เป็นธรรมชาติแต่มันก็มีประโยชน์มากทีเดียวเป็นทางลัดในการเจริญสติแต่ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เราสามารถจะมีสติในชีวิตประจำวันได้เราก็ใช้การเจริญสติในชีวิตประจำวันเพื่อไปเสริมการปฏิบัติในรูปแบบมันไปด้วยกัน คือว่าให้เราเจริสตินะทุกครั้งนะเวลากายมันทําอะไรแล้วก็มีสติรู้ทันใจเวลาเกิดผัสสะขึ้นมาพูดง่ายคือรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกเรารู้กายเคลื่อนไหวเมื่อกายมันทํำนูน่ทนทํานี่เรารู้ใจคิดนึกเมื่อมันเกิดผัสสะขึ้นมา เอาละใช้กุญแอเท่านกลับ